วัดนั้นเป็นอารามเป็นสถานที่อยู่ถ้าวัดใดมีบัณฑิตมีนักปราชญ์ทางศาสนาอยู่มากเราก็ได้ธรรมะถาวัดใดขาดบัณฑิตขาดนักปราชญ์อยู่เราก็จะไม่ได้ธรรมะเหมือนกันฉะนั้นเรื่องการสแสวงหานั้นจึงเป็นเรื่องสาคัญบุคคลที่มีปัญญานั้นย่อมได้เปรียบกว่าเพราะว่าเล็งเห็นประโยชน์แล้วจึงได้สแสวงหาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ จึงได้ประพฤติปฏิบัติอันนี้เรียกว่าสแสวงหาธรรมะอย่างผู้ที่มีปัญญาพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงสภาพความจริงส่วนนี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นชื่อว่าเห็นราวตถาคตที่ว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมชื่อว่าผู้นั้นเห็นดาวตถาคตนี้ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแล้วเราก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะธรรมในที่นี้นะ่ะคืออะไรทำไมคนจะเห็นธรรมะจะต้องเห็นความทุกข์ด้วยหรือความจริงแล้วบุคคลที่ประสบต่อความทุกข์นั้นถ้าหากว่าเป็นผู้ใช้ปัญญาสักนิดหนึ่งทุกที่ได้ประสบนั่นแหละคือตัวธรรมะ ถ้าเห็นทุกนั้นอย่างถูกต้องแต่ถ้าหาควาประสบกับความทุกข์แล้วเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาสภาพของทุกข์ถึงเราจะพบธรรมะแล้วก็มองไม่เห็นธรรมะจะมีอยู่อย่างเดียวคือทุกข์แล้วผลสุดท้ายก็หาทางออกในทางที่ผิดๆเรื่องนี้เราจะศึกษาได้จากการตรัสรู้อริยสัจคำว่าตรัสรู้อริยสัจนี้พระพุทธองค์ตรัสรู้อะไรก่อน ถามว่าธรรมะที่ตรัสรู้เนี่ยได้รู้อะไรก่อนในอริยสัจนั้นยืนยันว่ารู้ทุกก่อนเห็นทุกก่อนฉะนั้นการรู้ธรรมะเนี่ยที่ท่านบอกว่าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมจึงเป็นเหตุผลที่ที่เราจะต้องพิจารณากันเพราะว่าตัวทุกข์กับธรรมะนั้นเหมือนกับจะเป็นอันเดียวกันเพราะเห็นทุกจึงเห็นธรรมะ แสดงว่าธรรมะคือทุกข์หลืกละมังคำว่าธรรมะศัพท์นี้เราตีความกันออกไปหลายอย่างด้วยกันธรรมะคืออะไรเราสมัยเด็กๆอาตมายังท่องได้ขึ้นใจทุกเชา้าเมื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแล้วเรามักจะสวดสรรเสริญ รรพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณตอนเด็กๆ เ, เรารู้ว่าธรรมะคือคุณากราธรรมะคืออะไรก็คือคุณากรก็ถูกธรรมะคุณากรแยกเป็นสามสับเป็นธรรมะคุณากรก็ไม่ผิดเพราะธรรมะนั้นถ้าหากว่าจะตีความในสภาพของคุณธรรมะก็คือความดี หรือธรรมชาติที่ประคองจิตของบุคคลให้อยู่ในความดีไม่ตกไปเป็นาธาตุของความชั่วอันนี้ก็เรียกว่าธรรมะคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความดีหรือสภาพที่รักษาจิตนี้ให้คงอยู่ในความดีไม่ตกไปเป็นาธาตุของความชั่วสภาพเช่นนั้นเราก็เรียกว่าธรรมะฉะนั้นที่ว่าธรรมะคือคุณากรก็ไม่ผิดถูก แปลว่าธรรมะที่กล่าวในที่นี้ท่านหมายถึงตัวสภาวะธรรมะหรือหมายถึงสภาพของธรรมดาหรือคำว่าธรรมชาติที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆธรรมดากับธรรมชาติเนี่ยถ้ากล่าวโดยธรรมนิยามแล้วมันก็มีสภาพเหมือนกันเพราะสิ่งใดก็าตามที่เป็นไปตามปกติภายในตัวของมันเองเช่นการเกิดขึ้นความเสื่อมสลายไปการแตกดับ มันมีอยู่เป็นสภาพของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในโลกนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่มีสิ่งใดเนี่ยเป็นของคงที่การเกิดกับการดับนั้นเป็นของธรรมดาผู้ใดที่เห็นทั้งสองส่วนทั้งเกิดและดับผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมอย่างในธรรมจักรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า ยังกินจิสมุททะธรรมังสัพพันตางนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนแต่มีการดับไปเป็นของธรรมดานี่เป็นเป็นพุทธวจนะที่ตรัสไว้ในธรรมจักรซึ่งเป็นปฐมเทศนาได้ตรัสถึงเรื่องของธรรมะคือตัวธรรมดานี่เองใครเห็นความเกิดความดับ ทั้งสองอย่างผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมดาของสรรพสิ่งต่างๆคือเห็นทั้งเกิดแล้วก็เห็นทั้งดับเนี่ยฉะนั้นคำว่าธรรมะที่กล่าวถึงในที่นี้ที่เป็นสภาพของทกุก็คือสภาพของธรรมดาอย่างนี้เองเพราะว่าสภาพที่ว่าเป็นทุกนั้นเพราะว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะต้องเปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่ง มีการบีบคั้นอยู่เสมอมีการแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาท่านในคำจำกัดความไว้เลยว่าได้แค่การบีบคั้นอาการที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อาการที่แปรปรวนไปนั่นะคือสภาพของทุกข์อันนี้ท่านรวมถึงความสุขที่โลกสมมุติกันด้วยอย่างความสุขที่เราได้รับกันอยู่เนี่ยในปัจจุบันจะเป็นความสุขที่เราได้รับจากเราได้เห็นสิ่งใดที่ดีๆได้ฟังสิ่งใดที่ดีๆหรือว่า ได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสถูกต้องได้นึกคิดที่ดีๆแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขชนิดนี้โดยสภาวธรรมก็คือความทุกข์นั่นเองสุขน่นก็คือทุกข์แต่ว่าเป็นความสุขของโลกที่สมมุติกันว่านี่คือความสุขแต่ในทางธรรมะนั่นแหะคือความทุกข์แต่ความทุกข์ชนิดนี้ไม่ใช่เป็นสภาพบีบคั้นเพราะว่าบุคคลที่ประสบต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้น่ะทนอยู่ได้ ไม่ได้เกิดความคับแค้นจากการถูกบีบถูกขั้นแต่อย่างใดแต่ว่ามันเป็นความทุกข์ประเภทแปรปรวนเพราะความสุขทั้งหลายในโลกที่เราได้รับกันอยู่ไม่มีสิ่งใดคงที่มีการแปรปรวนไปได้เรามีความสุขตอนเช้าตอนกลางวันอาจจะเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ตอนกลางวันตอนเย็นความทุกข์เช่นนั้นก็หายไปความสุขเหล่านี้เป็นของไม่คงที่มีการแปรปรวนได้ สภาพที่แ ป, ปรปลีนไปเช่นนี้คือตัวทุกข์ฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสังรถสัตว์ทั้งหลายได้ประสบแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นสุขเช่นอย่างเราได้พบได้เห็นสิ่งที่ดีๆได้เกิดความสมหวังเราก็อาจจะร่าเริงรู้สึกเป็นสุขใจว่าเราได้สิ่งที่ดีๆมาแต่ว่าความสุขใจเช่นนั้นน่ะมันจะกลับกลายเป็นความทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเกิดการแ ป, ปรปลนไป เช่นเหมือนอย่างเราได้พบกับอิทธารมคืออารมณ์ที่เราพอใจอารมณ์ที่เรารักที่เราต้องการเมื่อเราได้พบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วเราเป็นสุขความเป็นสุขเช่นนั้นจะอยู่ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็แปรปรวนไปเมื่อแปรปลวนไปก็กลับกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาฉะนั้นความสุขอย่างเนี้ยท่านจึงเรียกว่าเป็นทุกข์ประเภทแปรปรวนแต่ในทางธรรมะแล้วเราจึงไม่พบคําว่าความสุขไม่พบว่าความสุขนี่อยู่ที่ไหน ตราดใดถ้าเบนจะขันนี้ยังเกิดอยู่ท่านกระตัสว่ายังไม่ใช่ความสุขแต่เมื่อใดเราสามารถดับเบนจะขันได้นั่นแหละคือความสุขด้วยเหตุนี้ความสุขทั้งหลายแหละที่เราสแสวงหากันอยู่นั่นจึงไม่ใช่ความสุขที่เป็นอริยสัจธรรมหรือที่เป็นความจริงของโลกมนุษย์แต่ว่าเป็นแต่เพียงเครื่องหลอกหลอนให้เราได้เกิดความลหลงไหลกันชั่วขณะหนึ่งว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วดี เป็นเช่นนั้นแล้วดีอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่หลอกหลอนให้เราหลงไหลอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องประสบที่แท้จริงนั่นนะคือความทุกข์และทุกคนก็ต้องประสบอย่างนี้นี่เป็นสั จ, จธรรมฉะนั้นทุกข์ที่กล่าวถึงในที่นี้ที่ว่าเป็นธรรมนั้นเป็นธรรมะในลักษณะที่เป็นธรรมนิยามหรือเป็นธรรมดาของสิ่งสิ่งนั้น เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปในที่สุดผู้ใดเห็นทุกข้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมดาส่วนนี้แหละเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นความทุกข์ที่บีบคั้นทั้งที่เป็นความทุกข์ที่แปรปรวนแล้วแล้วก็เข้าใจในทุกนั้นอย่างถูกต้องไม่เกิดความยึดถือในทุกข์ผู้นั้นแหละชื่อว่าได้เห็นธรรมะแล้วเนี่ยผู้ใดเห็นทุกข้นั้นจึงชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าได้เห็นดาวตถาคต ด้วยเหตุกล่าวนี้เพราะฉะนั้นธรรมะที่เราสแสวงหากันเนี่คืออะไรเราจะต้องศึกษากันโดยละเอียดไปตามลำดับโดยเฉพาะก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าในบทพระธรรมคุณนี้เราสวดกันบ่อยๆว่าสวาขาโตภคะวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปันยิโกปัดจัดตังเวทิตัพโพวินยูหีเราสวดสรรเสริญกันบ่อยคําว่าสวาขาโตพระวตาธรรมโมนั้นถ้าแปลตามแบบก็แปลว่าธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี่เราสรรเสริญท่านนะสรรเสริญพระธรรมว่าธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิถิโกอันผู้ตรัสรู้ จะเห็นได้เองอากาลิโกไม่มีการเวลาเอหิปัสิโกควรเรียกมาดูได้โอปะณอิโกควรน้อมเข้าไปตัดจัดตังเวทิตะโพวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยเป็นบทสรเสริญพระธรรมคุณ ดังนั้นธรรมะมีคุณอย่างไรเราก็ต้องศึกษาในธรรมคุณทั้งหกประการนี้ว่าธรรมะจะมีคุณแก่เราอย่างไรไปตามลําดับถึงหกข้อแล้วเราก็เข้าใจทันทีว่าอ่อเนี่ยคือธรรมะหรือประโยชน์ที่เราจะได้จากธรรมะเพราะถ้าตราบใดยังไม่รู้ว่าธรรมคุณนั้นมีอะไรบ้างเราจะเรียกว่าเป็นผู้เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องนั้นไม่ได้เหมือนกับเราไม่รู้เลยว่า พระพุทธเจ้าเดี่ยท่านมีคุณอย่างไรมีคุณวิเศษอย่างไรเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องก็งไม่ได้เราต้องรู้ว่าพระพุทธองค์มีพระคุณอย่างไรบ้างโดระเยดที่ทั่วแล้วเราจึงจะชื่อว่าเป็นผู้รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนกับเรารู้จักคนคนใดคนหนึ่ง ถ้าเรายังไม่รู้อุปนิสัยใจคอยังไม่รู้ว่าคนนี้มีความประพฤติยังไงมีจิตใจอย่างไรแล้วเราจะเรียกว่าเรารู้จักคนคนนั้นดียังไม่ได้อาจจะรู้จักในฐานะที่สนทนาปราศัยกันในฐานะคบค้ากันแต่เราไม่รู้อุปนิสัย จ, จิตใจความประพฤติของบุคคลผู้นี้เราจะเรียกว่ารู้คนคนนี้ดีแล้วยังไม่ได้คาว่ารู้จักดีหรือเข้าใจดีนั้นหมายถึงรู้ซึ้งถึงสภาวะของจิตใจรู้ซึ้งถึงอุดมคติของคน ของความประพฤติคนคนนี้มีความประพฤติอย่างไรมีจิตใจอย่างไรเนี่ยจึงจะเรียกว่ารู้จักคนคนนี้ดีแล้ว mm hmm. นี่เป็นลักษณะอันหนึ่งที่เราจะต้องมองสิ่งต่างๆที่เราจะเข้าไปยึดถือเป็นสาระที่พึ่งเพราะปัจจุบันนี้เราสแสวงหาธรรมะเราต้องการที่จะพึ่งพระธรรมพระธรรมจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างดีถูกต้องก็ต่อเมื่อเราเข้าใจพระธรรมเนี่ยถูกต้องแล้ว เห็นพระธรรมโดยรอบด้านว่าพระธรรมมีคุณอย่างไรแล้วเราจึงจะมอบกายถวายชีวิตเนียให้พระธรรมข้อเนี้ยชาวโลกทั้งหลายบกพร่องอยู่เหมือนอย่างเราจะมอบหมายชีวิตนี้ให้กับใครสักคนหนึ่งหรือจะมอบชีวิตเนียหรือจะยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่พึ่งในชีวิตของเราสักอย่างหนึง่งเราไม่ได้ศึกษาสิ่งนั้นโดยละเอียดอย่างถูกต้อง แล้วผลสุดท้ายเราก็ไปยึดถือสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งหรือมอบกายมอบชีวิตของเราเนี่ยให้กับสิ่งนั้นผลสุดท้ายเราก็ต้องผิดหวังแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะเราไม่ได้ศึกษาสิ่งนั้นให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนว่าสิ่งเนี้ยเราควรจะมอบให้หรือไม่จะยึดถือเป็นที่พึ่งได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือไม่แต่แลวดวะดโดนตัดสินใจมอบให้เสียก่อนผลสุดท้ายก็ผิดหวัง เราบวกพร่องกันในด้านนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมอบสิ่งใดโดยเฉพาะมอบชีวิตให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่พึ่งท่านจึงอสอนให้เราศึกษาสิ่งนั้นให้ถี่ถว้วนเสียก่อนให้ละเอียดถี่ถว้วนเสียก่อนแล้วเราจึงมอบกายถวารชีวิตเนี่ยให้กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ผิดหวังลักษณะดังกล่าวเนี่ยคลุมถึงความประพฤติในสังคมมนุษย์ทั่ ว, วไปที่ ที่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์กันได้เพราะในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางสังคมมักจะเกิดขึ้นจากบุคคลขาดดุญยพินิษขาดความคิดอันถูกต้องหรือขาดแนวทางที่ถูกต้องว่าเราควรจะพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าบางคนตัดสินใจในชีวิตเนี่ยผิดพลาดไปก็เกิดมาจากปัญหานี้ เช่นบางคนพอเจอหน้ากันบนป้ายรถเมย์สองสาครั้งก็ร่วมหัวจมท้ายกันแล้วก็มีบางทีไปเห็นหน้ากันในวงสังคมไม่กี่ครั้งก็ร่วมหัวจมท้ายกันแล้วก็มีเพราะฉะนั้นแต่งงานกันไม่ถึงครึ่งเดือนก็ต้องอยา ก, กันต่อไปเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งเนี่ยเป็นปัญหาสังคมที่มีอยู่ทั่วไปในปัจจุบันการนับถือพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกัน พระพุทธองค์จะให้บุคคลนับถือต้องให้ศึกษาพระพุทธองค์ก่อนใครจะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเสก่อนว่าพิจารณาหาเหตุผลเสียก่อนนะแล้วจึงเชื่อไม่ใช่สอนแล้วก็เชื่อทั้งหมดต้องคิดต้องฟังให้ดีเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วจึงเชื่อถ้าไม่เป็นประโยชน์แล้วอย่าเพิ่งเชื่อเนี่ยเราห า, าศาสดาไม่ได้ว่าใครจะเป็นประชาธิปไตย เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ให้เสรีภาพมากมายแก่บริษัทของพระองค์ให้เสรีภาพแก่ชาวโลกแม้แต่การที่จะเชื่อในพระพุทธองค์เองก็ยังไม่ให้ด่วนเชื่อก่อนให้พิจรารณาเสียก่อนแล้วจึงเชื่อให้ก็คือสอนให้เราเรู้จักใช้เหตุผลรู้จักใช้ปัญญานั่นเองฉะนั้นการจะเชื่อพระธรรม หรือการที่เราจะถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเราต้องเรียนพระธรรมก่อนว่าพระธรรมนี่มีคุณลักษณะอย่างไรที่เราจะพึ่งได้และเป็นประโยชน์แก่เราบ้าง mm. เมื่อเห็นคุณลักษณะของพระธรรมแล้วเราจึงเกิดความเชื่อถือและยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งนั่นแหละเราจะไม่ผิดหวังในพระธรรมฉะนั้นในพระธรรมคุณทั้งหกบทนี้ ท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่ามีความหมายอย่างไรเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่พุทธบริษัททั้งหลายจะต้องทราบกันทุกทุกคนในฐานะที่เรามีพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่ยพึ่งเราพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์แล้วอาตมาได้อธิบายถึงคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธเจ้าหรือของพระพุทธคุณเนี่ยจบไปแล้วทีนี้ก็เหลือพระธรรมซึ่งเป็นสาระข้อที่สองว่าเราจะ คือพระธรรมเป็นที่พึ่งนี้พระธรรมจะพึ่งได้อย่างไรพระธรรมนาดีอย่างไรเรื่องดีอย่างไรนี้ท่านประกาศไว้แล้วว่าสวาขาโตพระวาตาธรรมโมที่แปลว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตราัสไว้ดีแล้วเนี่ยคำว่าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยตรัสไว้อย่างไรดีอย่างไรที่เรียกว่าดีแล้ว แลาวคาว่าสว่าขาโตนี่แปลว่าทรงตรัส ด, ดีแล้วตรัส ด, ดีแล้วคาว่าตรัส ด, ดีแล้วในที่นี้ได้แก่อะไรบ้างท่านอธิบายไว้ว่าได้แก่พระปริยติธรรมกับโลกุตรธรรมพระปริยติธรรมที่ว่าตรัสไว้ดีแล้วก็หมายถึงคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งแปดหมืสี่พันทธรรมขันนี่เรียกว่าปริยติธรรมที่ตรัสไว้อยู่ใน พัะไตรปิฎกนี้ถือว่าเป็นพระธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วทั้งสิน้นส่วนโลกุตตะธรรมนั้นได้แก่มัผลนิพพานมัผลนิพพานนี้เป็นเรื่องของโลกุตตะธรรมอันนี้ดีแล้วโดยสมบูรณ์เพราะว่าโลกุตตะธรรมนั้นเป็นธรรมที่ยกจิตของบุคคลให้พ้นจากทุกข์แล้วก็เรียกว่าดีแล้วโดยสมบูรณ์ ส่วนปริยัติธรรมนั้นที่ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยทั้งพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมดีแล้วทั้งหมดเมื่อดีแล้วอย่างเนี้ยใครจะบอกว่าคำพีอื่นดีกว่าพระไตรปิฎกนั้นก็เป็นไปไม่ได้หรือใครจะบอกพระไตรปิฎกตอนนั้นไม่ดีตอนนี้ไม่ดี ต, นนดต้องแก้ไขใหม่ก็ไม่ถูกเพราะว่าท่านตรัสไว้ดีแล้วสว่างขาโตเป็นสว่างขาตธรรมแล้วเราจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ไม่ได้อันนี้เป็นความหมายของ คำว่าสวาขาโตที่ว่าตรัสไว้ดีแล้วอีกประการหนึ่งปริยติธรรมที่เราสรับสริญว่าตรัสไว้ดีแล้วนั้นเพราะว่าเป็นธรรมที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเรียกว่าอาทิกัลยานังมัดเชกริยานังปริโยสาระกริยานังงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุด เรามีความงามทั้งสามเนี่ยครบส่วนทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถ้าจะพิจารณาความงามของคนส่วนบนก็งามส่วนกลางก็งามส่วนล่างก็งามงามหมดทั้งสามส่วนนะั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นความงามที่สมบูรณ์เป็นอาทิมัดเชและประโยชน์สานะลักษณะของธรรมะที่ว่างงามก็คือจะต้องเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ก็คือคําสอนที่ท่านได้ตรัสสอนพุทธบริษัทนั้นไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางและก็ไพเราะในที่สุดจึงเป็นคําสอนที่ที่มีความงามเนี่ยโดยสมบูรณ์นี่เป็นลักษณะของความงามในด้านของปริยติธรรมอีกประการหนึ่งก็เพราะว่าในพระปริยติธรรมนั้นได้ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะ พร้อมทั้งพยัญชนะบริบูรณ์และบริสุทธิ์หมายถึงว่าคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนอกจากงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแล้วยังได้ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริบูรณ์และบริสุทธิ์เี่ยจึงเรียกว่าสมบูรณ์แล้วซึ่งคําว่า งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดคำสอนที่เป็นการประกาศพรหมจันทร์คำสอนที่ถึงพร้อมด้วยอัฏฐะที่ถึงพร้อมด้วยพยัญชนะที่สอนอย่างสมบูรณ์และคำสอนที่บริสุทธินั้นเป็นคำสอนอย่างไรเรื่องนี้เราจะศึกษาไปตามลาดับคาว่าพรหมจันยร์ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมที่ได้ตรัสไว้งามในเบื้องต้นท่านยกตัวอย่างเช่นอย่างคาถาบาตรหนึ่งเช่นคาถาบาลีที่แต่งเป็นคาถาเนี่ยบาตรหนึ่งในคาถานั้นท่านกล่าวว่างามในเบื้องต้นด้วยปฐมบาตรงามในท่ามกลางด้วยทุติยบาตรและตติยบาตรงามในที่สุดด้วยปัจฉิมบาตร ในคาถาแม้เพียงคาถาเดียวที่ตรัสไว้ก็มีความงามพร้อมในคาถาบาสนั้นคือทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและที่สุดมีอยู่ในคาถาเดียวคาถานั้นเนี่ยความสมบูรณ์แห่งพระธรรมมีอย่างนี้ความงามโดยสมบูรณ์มีอย่างนี้หรือพระสูตรที่มีอนุสนธิอันเดียวพระสูตรที่มีสนธิอันเดียวนี้ชื่อว่างามในเบื้องต้นด้วยคําปรารถ ปรารบในที่นี้หมายถึงคำกล่าวอารมภักถาในเบื้องต้นชื่อว่างามในที่สุดด้วยคำสรุงามในเบื้องต้นด้วยคำปรารบเหตุงามในที่สุดด้วยคำสรุปส่วนคำที่เหลือนอกนั้นเป็นความงามในท่ามกลาง ในท่านอธิบายความหมายของพุทธวจนะที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหรือที่วา ง, งามในเบื้องต้นนี้ก็ด้วยด้วยอนุสนธิต้นงามในที่สุดด้วยอนุสนธิท้ายงามในท่ามกลางด้วยอนุสนธิที่เหลืออยู่ในรวมปรยิยติธรรมที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนั้นก็มีความงามอย่างนี้หรือ พระธรรมที่ว่ามีความงามในเบื้องต้นนั้นเพราะปรารภเหตุเพราะปรารภปรารภอุบัติเหตุที่ว่า ง, งามในถามกลางนั้นก็เพราะว่าความที่อัดที่คลาดเคลื่อนไปและประกอบด้วยเหตุกับอุทาหรโดยอนุรูปแก่เวนยนยและที่ว่า ง, งามในที่สุดนั้นก็คือคําสรุปที่จะยังการได้เฉพาะ ซึ่งศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์เช่นนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาทิกรยานังมัชเชกรยานังปรโยสานะกรยานังหรือแม้แต่ศาสนธรรมทั้งหมดท่านกล่าวว่างามในเบื้องต้นด้วยศีลคือข้อกระพติปฏิบัติอันเป็นเรื่องของศีลงานในท่ามกลางด้วยอำนาจของสมาธิด้วยอานาจของวิปัสสนาด้วยอานาจของมัด้วยอานาจของผลที่ได้บรรลุ และงามในที่สุดด้วยอำนาจแห่งพระณิพานเนี่ยเป็นเป็นการตรัสถึงเรื่องเกี่ยวกับปริยติธรรมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอีกอย่างหนึ่งท่านตรัสว่าความงามในเบื้องต้นนั้นคือความตรัสรู้ดีแห่งพระพุทธเจ้าความงามในท่ามกลางนั้น คือความงามแห่งพระธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วความงามในที่สุดคือความงามแห่งพระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็คือความงามในเบื้องต้นได้แก่ความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความดีในถ้ำกลางก็คือพระธรรมที่ตรัสสอนไว้ดีแล้วความดีในที่สุดก็คือการปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์เนี่ยเป็นอาธิกริานางังมัชเชกรยานาังและปริโยสานกรยานางัง อีกในยันหนึ่งท่านตรัสว่าเพราะความตรัสรู้ดีแห่งพระธรรมความประพฤติดีตามธรรมะนั้นและก็ได้บรรลุถึงซึ่งความดีอันนั้นนี่เป็นความงามในเบื้องต้นการปฏิบัติตามจนกระทั่งได้บรรลุถึงซึ่งธรรมะนั้นชื่อว่าความดีในท่ามกลาง และเพราะเหตุให้ตรัสรู้เฉพาะตัวผู้เดียวที่เป็นปัจจัตตังเวอันนั้นชื่อว่าความงามในที่สุดซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่เราทั้งหลายเข้าใจยากเพราะเป็นปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตนเท่านั้นคนอื่นก็รู้ไม่ได้ แต่ว่าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถ่ายทอดสอนเราเนี่เป็นการถ่ายทอดในธรรมที่ได้ทรงบรรลุแล้วแล้วก็ถ่ายทอดมนาะให้พวกเราได้รู้ตามอีกอย่างหนึง่ง อ, อ, อีกประการหนึ่งที่ว่างามในเบื้องต้นก็ว่าบุคคลผู้ที่ได้ฟังธรรมแล้วสามารถข่มนิวรได้นิวรธรรมคือเครื่องส่องามองต่างๆเนี่ย สามารถผมได้และที่ว่า ง, งามในท่ามกลางนั้นเพราะว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติงามอยู่ในศีลในธรรมอันนั้นก็คือความงามในท่ามกลางหรือที่เราสามารถได้บรรลุถึงซึ่งผลแห่งการปฏิบัติบรรลุมรรคผลนั่นก็ชื่อว่าความงามในที่สุดฉะนั้นคําบับพรธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยจึงหมายถึง ดีในลักษณะดังกล่าวนี้ดีในด้านของการปฏิบัติในด้านของคําสอนที่บริบูรณ์เพราฉะนั้นก็พอสรุปได้ว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั้นหมายถึงปริยติธรรมหมายถึงโลกุตรธรรมแล้วก็หมายถึงพระธรรมที่ตรัสสอนไว้เป็นอาทิกริยาหนังมัชเชกริยาหนังปริโยสานะกริยาหนัง ทรงประกาศพร้อมพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริบูรณ์และบริสุทธิ์ทีนี้คําว่าพรหาจันทร์นั้นคืออะไรที่ว่าประกาศพรหมจันทร์ประกาศพรหาจันทร์ในที่นี้ก็คือประกาศความประพฤติดีปฏิบัติชอบเช่นอย่างตรัสสอนถึงเรื่องศีลก็เรียกว่าประกาศพรหมจันทร์ตรัสสอนถึงเรื่องสมาธิตรัสสอนถึงเรื่องปัญญาก็เรียกว่าตรัสสอนถึงเรื่องของพรหมจันทร์ พระพรหมจรรย์เนียแปลว่าความประพฤติดีปฏิบัติชอบเราเรียกว่าพรหมจรรย์จัญญะในที่นี้หมายถึงความประพฤติพรหมสัพนีธรรมะสัพนี้แปลว่าประเสริฐผู้ใดที่ประพฤติทำอันประเสริฐคือเป็นผู้มีศีลดีเป็นผู้มีสมาธิมีปัญญาดีผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ปัจจุบันนี้เราสมมติกันว่าพระสงฆ์เนี่ยคือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แต่ทั้งนี้หาใช่แต่เฉพาะพระสงค์เท่านั้นไม่ที่ประพฤติพรหมจรรย์ได้แม้แต่ฆราวาสที่รักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบที่มีสมาธิมีปัญญาก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้เหมือนกันดังนั้นด้วยเหตุนี้คำว่าพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านจึงหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบในด้านของศีลสมาธิปัญญาทั่วไปด้วย แปลว่าที่ว่าทรงประกาศลรรมจันท ร, ร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริบูรณ์และบริสุทธิ์เนี่ยอัฏฐะในที่นี้คืออะไรที่ว่ารมจันท ร, ร์ที่ประกาศนั้นถึงพร้อมด้วยอัฏฐะคำว่าอัฏฐะนี่ก็คือทรงประกอบพร้อมด้วยบทประกอบพร้อมด้วยบทอันเป็นใจความแห่งการประกาศโดยยอ่อ ประกาศดิเริ่มประกาศจำแนกเปิดเผยทำให้ตื้นและบัญญัติที่ว่าประกอบด้วยพยัญชนะนั่นก็คือถึงพร้อมด้วยอาาักษรถึงพร้อมด้วยบทคืออักษรเนี่ยสมบูรณ์หมดในในพระไตปรปิฎกอักขรสมบูรณ์บทพยัญชนะที่เป็นอากรที่เป็นนิรุตตินิเทศ ตรัสไว้โดยสมบูรณ์ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างนี้เรียกว่าถึงพร้อมด้วยอัฏฐะด้วยพยัญชนะที่ว่าบริบูรณ์ที่ว่าบริบูรณ์รรและบริสุทธิ์นั้นก็เพราะว่าธรรมะที่ตรัสใบนี้ไม่มีข้อใดข้อหนึ่งที่ขาดตกบกพร่องควรแก่การเพิ่มเติมที่ว่าบริสุทธิ์นั้นก็คือไม่มีโทษในคําสอนเลยแม้แต่น้อยที่เราจําเป็นจะต้องตัดออก ที่ว่ามีโทษเนี่ยคือถ้าคำสอนใดจำเป็นจะต้องตัดออกตัดทิง้งคำสอนเช่นนั้นคือคำสอน